134ี่ทิวสนานัตตะว่าด้วยการนับวันปวารณาต่างกันข้อ228ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้วันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวัน14บ่ค่ำของภิกษุอคันตุ ก, กะเป็นวัน15คห้าำ ถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัติตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัติตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงอนุวัติตามพวกภิกษุอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ วันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวัน15คห้าของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็นวัน14บ่ค่ำถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะเพ่งอนุวัติตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุอาคันตุกะเพ่งอนุวัติตามภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่า พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวันแรมหนึ่งค่ำของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็นวัน15บหาค่ำถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสไม่ปวารณาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกภิกษุอาคันตุกะพวกภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมาปวารณาเถิด ถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกภิกษุที่อยู่ในวาดไม่ปรวาณาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกภิกษุอคันตุกะพวกภิกษุอคันตุกะพึงไปนอกสีมาปรวาณาเถิดถ้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในวาดพึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกภิกษุอคันตุกะหรือไปนอกสีมาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันปรวาณาของพวกภิกษุที่อยู่ในวาดเป็นวัน15บหาค่ำ ของพ่อพิษุอาคันตุกะเป็นวันแรมหนึ่งค่ำถ้าพวกพิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจํานวนมากกว่าพวกพิษุอาคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกพิกษุที่อยู่ในอาวาสหรือไปนอกสีมาถ้ามีจํานวนเท่ากันพ่อพิษูอาคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกพิกษุที่อยู่ในอาวาสหรือไปนอกสีมาถ้าพวกพิษุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกพิกษุอาคันตุกะไม่ประวรณา ก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพียงแก่พวกพิสษจน์ที่อยู่ในอาวาสพวกพิสษจน์ที่อยู่ในาวาสพึงไปนอกสีมาปรวารณาเถิด